ก่อนที่จะปล่อยหมูป่าก็เอาเชือกดึงกระตุกขึ้นมาให้หมูมันออกไอ้คนก็อยู่ในรถนะอยู่ในเก่งรถเด็กรถปิ๊งอัพนะพอเชือกมันก็วิ่งไปมันวิ่งไปมันมันยังโมโหมัวิ่งย้อนกลับมาอีกท่นนีไอ้คนสามสี่คนอยู่ในรถนะยืนอยู่นั่นนะ่ะสามสี่ห้าคนอยู่ในรถมันกระโจนขึ้นไปแหละแต่ก็ยังดียังโชคดีเหมือนกันเพราะโจนไปมันขามันข้างบนขาหนึ่งเลไปเกาะไปเกาะเก่ง แต่ขาหนึ่งมันลงไปข้างล่างมันไม่ขึ้นไปสองขาอย่างนี้เหมือนน่ะเออถ้าขึ้นมาไปสองขามันเกาะได้คงจะขึ้นไปอย่างนั้นเลยงั้นน่ะแต่นี้มันเกาะขึ้นไปขาหนึ่งขาหนึ่งก็ลงไปอย่างนี้ก็หงายหลังพ่อหงายลังก็เลยวิ่งไปโอ้คนในรถเนี่ยตาเหลือกหมดเลยองั้นน่ะเออคนในรถเนี่ยตาเหลือกเลยอย่างนัะนตั้งแต่นั้นต่อมาเนี่ยเวลาไปปล่อยหมูเนี่ยนู้นหลังรถสองแถวที่เขา ผลเด็กนักเรียนเนี่ยที่มีหลังคาเนี่ยขึ้นไปอยู่หลังคามาันบรรดาบดิ <c oughs> เออถ้าไม่มีหลังคาก็ขึ้นไปอยู่กิ่งไม้อย่างังี้นแต่ก่อนที่จะปล่อยหมูป่านั่นน่ะอันตรายแน่เป็ว่าเออเพราะนั้นคราวนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อทำนะมันมีงวงก็เถอะตัวตัวงวงของมันเนี่ยต้องแข็งแรงที่สุดมันจะเข้าไปถึงเกือบสิบตัวนึงมันจะกระโดดพร้อมกันน่ะเออต้องแข็งแรงนะเพราะนั้น ถึงอันถึงตายได้นะงานนี้ถึงตายได้นะนนะประมาทไม่ได้นะต้องให้แข็งแรงนะกล้าว่าไม่ปล่อยรู้จะทํำยังไงถ้าให้ส่วนราชการมาจับให้หลวงพอ่อมองไม่เห็นอีกเหมือนกันว่าเขาจะจับด้วยวิธียังไงอส่วนราชการกับมีเทคนิคว่าจะไปยากอะไรจับหมูอเวลามาแล้วเออลูกดอกเจียงมันเสกนี่อันนี้คือความโง่เหล่านั้นเถอะอ ถ้าพูดคือมาทางปฏิบัติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนีเอาลูกดอกเกยิงมันสีมันมามันก็สลบแล้วก็จับขึ้นไปมันหมูอยู่ในทื่อเนื้อที่พันกว่าไร่ใช่ไหมนี่นจะไล่ไปองคนก็ใช้คำว่าคนไล่ไปคนน่ะคนไล่น่ะหมูจนดอกในระวังกันแล้วกันแหมหมูมีตกเขี้ยวทั้งนั้นเลยมันแต่นี่นพอพรานเขาก็คอยดักยิงฮะมันวิ่งโจ๊ดมามันไม่ได้หมูในไม่ใช่หมูในคอกนะใช่ไหมไม่ใช่หมูในคอกในเล้าเนี่ย ยงจุดมาจากโรกดอกยิงตกไปนะเพรปลูกไปถ้ามันเป็นหมูใหญ่ใช่ไหมปริมาณของน้ํายาที่ฉีดเข้าไปยิงเข้าไปเนะมันปริมาณน้อยฮะ่เพราะว่ามันเราไม่รู้เนี่ยว่าหมูจะมาตัวไหนยิงปุ๊กมาหมูมันก็วิ่งจุดเฉยแบบนั้นเถอะมันไม่ล้มเพราะปริมาณน้ํายาเนี่ยมันน้อยกว่ากําลังของหมูเอาเถอะข่าวหน้ากูจะต้องใส่มากๆใช่ไหมเอ่อทีนี้หมู ตัวนี้น้อยมาเถอะนี่หมูหนุ่มมาแล้วนันเถอตัวนี้น้อยมายิงปุ๊กเลยใส่ซัดหลายๆๆๆตายเลยป <c oughs> <c oughs> ริมาณน้ํายามันเกินเหมือนกันเดอะเออเท่นี้เราผู้เป็นเจ้าของหมูใช่ไหมเจ้าของวัดโอตายหมูตายเออแล้วจะทํำยังไงจะเนี่ย น, นี่เราจะให้หลวงจวนราชการมาจับที่ดงชุมพู ล, ลักษณะอย่างนี้เออตัวนี้จะทํำยังไงจะเนี่เออเอาตาขายมาเถอเอาตาขายมา เพื่อเขาเคยจับตะข่ายเพราตะข่ายมาเนี่ยหมูวัดวัดดงซีมพมูมันมีจา่าฝูงเนี่ยตัวจ่าฝูงหัวหน้าฝูง ม, มันมี น, เนะเวลาเขาก็ให้ชาวบ้านต้อนมางั้นไล่ไล่ไล่มาให้มันเข้ามาตะข่ายพอมาเนี่หมูตัวเมียหมูตัวน้อ ย, ยมันไม่เข้านะมันฉลาดนะมันเห็นตะข่ายมันบนเลยเหมเือนไอหัวหน้าใหญ่ไอเขี้ยวโคง้งไอตัวบึกลืมมัน มันกึง่งจึงกึ่งโตเข้าไปแก็โจนใส่เลยงแบบั้นพุทธเลยโอ้ตาขายไม่อยู่แบบนั้นแหะตาขายที่เขาที่ใช้มาก่อนๆขาดพวดเลยนี่ทีนี้เขาบ่าโอ้คนที่ไปเจอแล้วยังค่อยรู้ว่าพิธีการจับหมูเนี่ยอันตรายมากน้อยแค่ไหนอผลที่สุดก็ท่านอาจารย์ทุยท่านก็บอกว่าอย่าจับอยาจับพอแล้วพอแล้ว พรท่านเห็นหมูสงสารหมูเพราะมันตายก็มีเทเร ท, ท, ท, ที่จับดามมาได้ทีไหนจับมาได้ก็มาใส่กลงรถหกล้อหนรถไอซูซูเอลที่มีตะข่ายตะข่ายใส่รถพอจับมายิงถูกแล้วมันสลบแล้วจับหมูมาโยนมาโยนเข้าไปจับมาทันกรโยนเข้าไปพอโยนเข้าไปแตนในหมูอยู่นั้นทั้งสี่ห้าหกตัวมันไม่ใช่หมูบ้าน มันมันก็วินะ่งจนเลยชนไอ้ตาขายนะโอ้โหจมูกของมันอันนั้นออกมามันหมดเลยตรงนั้นเถอะเลือดมันแดงอาบไปหมดยังเหลือแต่กระดูกชี้ออกไปท่านก็เห็ threats, นโอ้โหตายตายตาตยหยุดหยุดเขาก็บอกเขาได้รับคําสั่งมาให้จับเอนี่แหละท่านบอกโอ้โหอินเลยเห็นแล้วเราเรามันมันมีเมตตาหมูเหล่านั้นมันจะตายมันก็ต้องตายทั้งหมดเพราะเหตุใดจมูกมันออกหมดได้เนี่ย เพราะมันชนเข้าไปใ น, ในเหล็กเนี่ยอันนี้ก็คือท่านมีประสบการณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงมีกลงตัวใครตัวเราลงทุนซื้อกลงเนี่ยกลงของหลวงพ่อที่ทําที่ประดักข้าวก่อนลงทุนมันแสนกว่านั่นนะเออที่จะจับหมูป่าเนี่ยเ อ, อขนาดนั้นมันยั ง, มยงไม่เข้าข่าวนี่นก็เลยจะทําเป็นคอกใหญ่วันนั้นให้พวกเรารับผู้รับทราบเลย ปัญหาเรื่องหมูป่าเนี่ยไม่ใช่หมูหมูอะไรกัน เ, นเอถอถ้ามันเป็นหมูหมูหลวงพ่อก็คงจะจับไปหมดแล้วอันนี้มันไม่ใช่หมูอะไรนเลยมันฉลาดมาก เ, าเพราะนั้นบางคู่บางคนโมโอ้หลวงพ่ออินทำไมจับหมูอย่างนี้ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อพูดในใจให้ฟังเลยเนะี่ยในคําพูดหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นจึงได้ลงจับหมูอีกไม่นานที่ว่าคงจะ มีหนังสือทางปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็จตวะแพทย์อจังหวัดคงจะมารับผู้รับทราบร่วมกันทั้งส่วนราชการหัวหน้าหน่วยส่วนราชการที่รับทราบคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ทมําทไมจึงเชิญปศุสัตว์มาทําไมจึงเชิญจตวะแพทย์มาคาว่าสั ต, ตใใว์ปศุสัตว์เนี่ยคล้ายๆคำมาดูว่าหมูป่านี่มีอะไรไหมแ จ ะ, จะต้องจะต้องฉีดุฉีดยาไหมจิตะแพทย์มาดูหมูจํานวนนี้ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยจะเอาไปปล่อยทุ่งกระมังเข้าศนส่ว น, นใหญ่นั่นะจะเป็นพิษเป็นภัยครไหมหมูติดเชื้อไ ห, มห ม, ม, อไห ม, มหมูมีเชื้อโรคไหมถ้าหมูมีเชื้อโรคเอาไปปล่อยทั้งนู้นเดี๋ยวไปปิดทั้งนู้นดิอเพราะนั้นก่อนที่จะเอาไปเนี่ยเขาจะต้องอาบน้ํายาซะก่อนอาบน้ํายาให้เขาลักษณะข่าเชื้ออย่างนั้นนะจากนั้นเขาก็ฉีดยา ให้หมูสักก่อนเนี่ยค่อยเอาเอาไปปล่อยที่ผ่านๆมานะทุกครั้งเพราะนั้นขราวนี้ก็คลักษณะอย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> วันนี้จะพูดเรื่องหมูจะยาวนานน <c oughs> วันนี้เป็นวันพระหน้าดับสิบสี่ข่ำเดือนเจ็ดปีห้าศูนย์เป็นวันพระใหญ่แล้วพวกเราทุกๆ ท, ท่านในมาทาบุญในวันนี้ ก็ให้พยายามสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆคนเราเกิดมาก็อย่างท่วาน่ยนะไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานได้เมื่อไม่นานมานี้กันอยญาติโยมอุปถัมภ์ปถาควัดของหลวงพ่อ <c oughs> ก็อายุเพียงห้าสิบหกปีเขาก็ล้มหายตายจากถ้ายจะว่าไปแล้วก็อืโรดสังเวชใจ ที่หลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่อีกสักวันหนึ่งเราก็คงจะเป็นลักษณะไปลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุธทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนําวาอยู่เสมอว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เนปุญญานิปัลโลกัสจมิงปฏิฐาโหณติปานิ낭 บุญยอมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งโลกนี้คนทำบุญไปที่ไหนก็มีเพื่อนมีฝูงมีพักมีพวกไปที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขคนมีเมตตาคนมีน้ำใจไปที่ไหนก็มีหมู่มีเพื่อนแต่คนแรงน้ำใจคนไม่มีน้ำใจคนไม่มีเมตตาไปที่ไหนก็เดือดร้อนบุญนวาย ทั้งไป巴拉โลกภายภาคหน้าก็เหมือนกันไปป拉โลกภายภาคหน้าคนมีบุญบุญกุศลติดจิตติดใจไปไปเกิดที่ใดก็ไปเลือกเกิดได้เพราะเหตใดเพราะเป็นผู้มีบุญนะแต่ถ้าผู้มีบาปแล้วก็อย่างว่านั่นอนะไปที่ไหนก็ลำบากเรือร้อนวุ่นวายไปหมดนะเดี๋ยวหลวงพอ่อจะให้พรก่อนหนะ้าอนุโมทนาให้พร